ฟังคนอื่จะได้คิ สังอารมณ์น right? ั้นยาวอึดอัดไหมจะอึดดีไหมสงใจกนอยางนะสนใจกนอยางนะจิตของเราก็จะฟูฟูไปแล้วก็จะไม่สงบจะหยนดหยาดหยุดทํานสิ้นจังการระดับเราฟังทันเปลี่ยนวนวนจะต้องทันอยากนน จิตใจของเราใช่อาหะเรตั้งไว้ดีๆทำน่ะที่เขาเกลียดไปมันจะไหลผ่านจิตใจพวกเราอาหะเราเยี่ยงเราข้ามทำน่ะ่านจะเกลียดยืนอั่างรู่วันอย่างขรามพวกมีามายยมมม้การัวหลายเข้าไปดีจิตใจพวกเราได้ตนถึงวร จิตใจใองตนเป็นทายาทนารองรับธรรมะที่พระพุทธเจา้าแสอนำครูอาจารย์นำมาอิบายจิตใจของพวกเราท่านเป็นของสำคัญเป็นของพุดด้านเนเลื่องวิสัยที่คจะพูดเป็นเรื่งใจของตัวที่ปวที่เสียขออนุญาเรียกว่า คนนั้นไปฝึกอบรมใจแต่งทางดีจิตใจหย่อนเอีอย่ยไปตามเรื่องตัวเหนื่อยต่างๆกขาพบตักขวบเป็นขูว์อกนั้นตัวเอ ง, องมีท่าตัวมีจิตใจของตัวมาก่อนนะครับโอเไปูกคนอื่นทะวน ดวนจริวรเ่นไปกันใหญ่ใจเป็นของดันได้แล้วนะทางดีก่อนเพราะจิตใจของเราก็จิตใจของเราติดและมีมูมีอาจารย์มีนิสัยรับส่วนฝุพูดพุยหรือฝึกอบรมในทางดีจิตใจก่อนแล้ววันจะดีมีเสึ้นจิตใจ อันเดียวจะเดินดียวไปได้ทางดีแล้วทาชั่วก็การคปตัวล้วเอ๊มันจะดีไปเองจะลั่วไปเองเพราการสะสมคือจำนวนมากคิดมันจะดีของดเข้าใจทางดีการสะสมอะไรมันกวเฉยเฉยไม่ิด ไปตามเรื่องของมันเหมือนอย่างเดต่อมเหนือโตเป็นหน่มเป็นสาวทำนคิดของจิตใจผู้เคยไดนกินจากคนอี่นเขาขู่เขาุยก็เรองคิดุนพูงไปในเรื่องคามอารมณ์ต่เป็นตัวใหญ่อะไรบ้างบมดตตัวหมดต่อชีวิตไปอย่างนี้เป็นทั้าเป็นเมรุใส่ยัวนี้ย จะอาศัยในการศึกษาเรงเรียนสำหรับตำราบทปริษ์ของแต่ส่วนนั้นจะเป็นฟายปฏิบัติโดยสุดหัดอบรมทางจิตใจดูเห็นเป็นสิ่จากการปฏิบัติของคนอย่างไรสุดสุดความเชื่อเล่าในชั้พวกเพืนรุ้ฟัง มุทิตีนี้ไปตอบสุดในภายปฏิบัติมว่าอยากจะนำสิ่งเหล่านั้นไปสุดรอมงตัวเอ็นเห็นเป็นเ็ส้นมีจิตใจมีญาติว่าเป็นของอ่อน้อไปในทางขั่วทางเสียก็ได้น้อไปในทางดีกว่าด้นจิตใจเป็นของสุดได้อย่างนี้มันคอใจาก ส่งนสอนใวสเราฝวรรวมตัวเราชอบดีก็ต้องฝึกไปในทางที่ดีเพราะทางที่ดีเท่านั้นที่จะทำผทำใจเขาพวกเราท่านให้มีความตหนักเียดเดีวาำตัวเยียดเยี่ยวของิหาเราเห็นเราเป็นจากการปฏิบัติของเราเราจะประทับใจความถูก ดีใดเงโลจะเสมอเหนือนความสุขของใจที่ได้สัมผัสกับอัตถิมอย่างนี้ไม่มีเพราะความสุขส่วนนี้เป็นความสุขที่เห็นเด่นในตัวเองได้เกียรอาลิตภายนอกเป็นความสุขของใจโดยเฉพาะและจะมีความขวะอารมณ์ทัญญา เียรื่องราวต่างๆเสียเวลาสดระโคมใใจเชิงตัวไปอยู่นอ sí าจในทํามผมมีความสุกเพียงพอบริบูรณอยู่แล้วไม่ต้องไปหาดูหาฟังฟังอีกหรืเปนเรื่องที่จะเสียเงินเสียทอยือเป็นเรื่องที่จะ เราลุ่มหลงกามติดตัวเพคยมีครูอาจารย์หลายท่านมาสอนอยากติดยุคยีได okay. so ้เพรแล้วแต่น so like ิสัยของเราเฉพชะไม่ใช่ว่าการสอนผิดแต่นิสัยของเราเนพาะในเรื่องเหล่านั้นก็เลยคิดว่าเรื่องการสอนเป็นเรื่องผิดแต่การสอนผิดอย่างนั้นเหมืองกันกับยาที่ต้องลงขึ้น จรักษาโลกบางคนปอดหอยายเสวาพนหนึ่งบางคนปอดหายเสวยยาอยีกพรนมนหนึ่งทางยานั้นมีคุณภาพเหมือนกันสามารถช่วยรักษาโรคไข้ไข้ไเจ็บต่างๆของโรค ย, ยีดหนเกินข้าบ้แต่โรคมันมหลายประเภทหยุใจของคนก็งเหมือนกัน ที น, นำมาแนะสอนทางนั้นทางนี้เพื่อเป็นทางดีในกานรปลูกตามจดนิสัยให้ตัวก่อนควรที่จะนำมาพิจรารณานำมาเพื่อให้ตัวส่วนใดที่ตป็นไปเกิดความสูกคามสบายเป็นไปาานเปไปีื่อปลูกฝังตามนิสัย ข, ของตัวที่แนะนำสอนว่อนนำมาพิจารณาและติด หายใจจิตสงตัวไม่ตึงระงับดับที่เร็ดจิตใจผูกเสพดูเห้รับความวุ่นวายหายใจการจิตใจจะสงฝจิได้ตนเลือดนิสัยของจีตชอบจุดรวมตัวเพราะนั้นกางจิตใจต้องมีใจอื่นชอบตัวของตัวจะพด้ ค น, น, นเอียงจะบอกสอนวิธีต่างๆตรวจตัวเพรเราเอียงเราะดับรับฟังเองการจุดตัวของการอบรมตัวพระพุทเจา้าหรือว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนจะจุดอบรมเพราะการจุดไมอบรมแล้วจิตใจนั้น แต่ไม่มีวันเวลาที่จะมีคุณภาพไม่มีวันเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายไม่ีจิตใจเหมือนไม่มีเพราะไม่ได้รับความสุขความสบายจากจิตใจใจนั้นดังนั้นพวกเราท่านการสืบโยมจิตใจจะพากังมุ่งหวัง อย่าตัดสุด ต, ตอย่าอบรมหรือคยอยอบรมผกผลตัวมาพอต้องควรนะครส่วนใดที่เกินไปเกกับความสุขความสบายต้องพากันฝึกอบรมแล้วอย่าติดในความสุขความสบายเราเองก็จะต้านฐานได้กว่าความสุขความสบายส่วนนี้เกนเรื่องคือว่าที่เหลือปัญหายังมีหรือหมดไปปัญหาว่าที่เหลือปัญหายังมีอยู่เรากคงควรฝึก อยู่ในความติดส่วนั้นควแบบรแกแบบแบ้ทิเจรินาแก้ไขแบดแทงจิตใจจนให้หลุดรอยไปจากที่เหลือกันหาจนถึงที่สุดในมุดในท่าดูจิตใจไปถึงขั้นใดตัวเองควตอ้องควต้องทราบแบบไปถึงขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นถึงธรรมะจะไม่ฝุดบอกความเจนความสั้งผัดใช้ใจ เราได้รับความสเฉยเัดอย่างไรเราก็รู้จักเราไดละัได้สอนอย่างไรเราก็รู้จักอย่างนี้ยึดหรืหมดแล้วเราก็รู้จักอีกนัยหนึ่งธรรมะมันสอนหดคนงง่คนโหลคนผูที่นี้ที่เจริญนาจต้องสร้างมะกรยาจิตใจที่ปล่อยวางละขอนอะไรมีความจุความเมาสบายอย่างไรจะต้องสร้างคามการปฏิบัติปฏิบัติของใจตัวเอง การปฏิบัติโดยควรใหญ่คนที่ฝึกใหม่นี้อคนที่ยังไม่ควรที่จถึงขั้นปัจสนาการสอนเรื่องสมาธิก่อนฝึกอบรมใจในหน้สงบจากอารมณ์ทั้งยางด้วยการกำหนดที่จามณาขวดดีด้วยการกำหน ด, ทน ด, ด, นหนดบทบริกรรมขวดดี ทำจริที่ bal ai, bal ai. Ten, ิงจังจังจนคิดคิดเคยพุ่งสุงยึดยกดต่างๆงสงบรวมตัวลงไปมีความเบาใยเบาใจมีความสว่างสวัยมีความอัศจรรยัความสุขความสงบไปจนอย่างนี้ เราไม่เคยเห็นใครเนมาก่อนก็จะทราจากการเห็นการเคลนผิดเราเห็นเราเคลอยู่นั่นอยู่ที่ามสงบทำลงรวมท้องใจทำลงวมท้องใจนี่แหละเป็นเบอต้นที่จะให้เราเชื่อมั่นจากคสอนของพจะพุทเจ้นั้นยังคงเชื่คงวาอยู่เรายังมีอุปนิสัยยังมีการตฏิบิปฏิบัติจะได้จะทีอยู เพราเราเห็นเราเป็มในการปฏิบัติของเราที่โรงเรียนเราเห็นเราจะคาดเดียนี้เขี่ยงแย้ท่านใจงรวงรวมแ่านี้คิดใจใจเชื่อมั่นในคาสอนของพระพุทธเจ้าและอยากจะทำอยากจะบำเพ็ญอยากจะเห็นเกวี้นเขีนจนไม่อยากจะเลิกคิไปเมื่องอื่ ความสุขความสงบลงรวมนี้เป็นความสุขเขี่ยความวนิบวูดความทิดความเห็นที่เราแยงหนึ่งแยกขาดแยกไปปฏิบัติแยกเกิดอาารยอย่างนั้นแยพอเจ้าอย์นั้นนจังวัดติดในผันสมาธิคือติดในความสุขความสงบความปล่อยวางลงรวมทใจถอนขึ้นมาเมื่อดังคนอยากจะพม ผี่โอมใจไปรวมอยู่อย่างนี้นีคือการฝึกในความสงบของใจจิตสมาธิเดี๋จิตสมาธิก็ยังดีแต่จิตที่เหลือตั้งหายเพาะมีทางที่จะลดคว า, ามุกความสบายพบหน้าชาหน้าทำให้บอกเห็นว่าความดีส่วนนี้เราเห็นเราเกิดในจุต ใ, ในใจของเราอยู่เป็นทางที่ดีอย่างนี้น แต่พว่านใช่ทางละทางถอนทีเรีนตั้งหาเพียงแต่เป็นที่ทักที่อาศัยปกติผู้ที่มีพื้นฐานความสนออกมาแล้วถ้าติดอย่างนั้นก็เป็นการหลา่งาเสียเวลาในการทิ่จารียนต่อไปพอถอนขึ้นมาก็หายที่จะเรียนเอาไว้เอยว่าต่างต่างเครียเครายคิตใจผิดผิตพลาด จิตรวมในตอนที่เจรนาอะไรเชิงบริรวมบ็ลงรวมได้จิตเชิงบริกรรมแต่อาดจิตแล้วไปทพิเจรนาอะไรการถอดถอนจะไม่มีมีแต่การสงบเย็นอยู่ถายเดียวอย่งนั้นถ้าทีเจรณาถอนขึ้นมาที่เจรนาวรรว่าต่างๆเจรนา แ, าแายดอาดแยดขันใจเย็น ตามเป็นจีนของมันเป็นขาดเจนชันมีจับมีบุกฝนความยึดความผีความหลงติดมั่นเพราะเราไม่มีพิจารณาโดยหยาบหายใจหายใจเห็นใจอูามเป็นจีนว่าจีนเรียกว่าจับตาบุกฝนหนเหี่ยงเป็นขาดเจ็นชันอาศัยกัน รวมกันอยู่เท่านะั้นเมื่อแตกออกไปหญิงชายจะไม่มีตัด บ, บ, บคุคคลจะหนึ่งมไปตามหน้าที่ของชาต่านันะ้นความเข้าใจคัดเจนเห็นแจ้งอย่างจะไปหลงยินดีกำหนัดเทิดเลยในหูในเสียงในเรื่องต่างๆจบหายใจจับใจมาชที่บบว่าตามที่เจรณาทางวิสัตถนแบบจะเห็นเย็นชัดมีละบอนได้ ก็ต้องอาศัยธรรมชาติมีความเจริญเข้าใจมาก่อนถาน้าไมมีความเจริญนิจนาจะได้เห็นการละการถอนการปลอยการบางแย่งไปจากในจิตในใจของตัวนั้นจนไปในนน ห, หนบ ด, ด้ความสุของอาศัยเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติพอดีนิพพัฒนาพอดีก็ม่ได้มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวของวกเรานี่อ วความติดข้องข้งใจก่อตัวตัวของเราไปติดข้องความเจรจาถอนว่าตัวของเราจรละถอนพิา จ, ะะจะะารณาลงที่าว่าเียวารณาลิ่เียันทางเสื่อถ้าพูดถึงจะจีบฐานการกาหนดตายปล่าเป็นสาหรับตำล า, งงาวไว้ก่อะะนพิจารณาตายอางัวแต่ า, าในแต่นแต่ละจคน แต่แต่ตัวแต่แต่เราแคเฝ้าชื่อขคือความเห็นความเชและในจิตในใจเห็นเป็นอย่างหนึ่ไม่ใช่ว่าเราขาดในนิสัยเดาตัวเห็นตายเชแต่ว่าตายขนนั้นเป็นขั้นสมมติแต่แยกที่จะมาตามเตืนเชียงแล้วไม่มีอะไรเป็นตายผมบอกพวกว่าเขาไม่เดือผม เราไปสมมติเอาเขาไม่ว่าอะไรวันนี้ฟันวันนี้เ c ื่องสติตัวตัววัอะไรเพราะว่าเขาเป็นเราไม่เป็นรแต่ใจที่มีายทามีอุบายามีธรรมะสอนใจหลงไ้ววาหบาววววามงนั้น่้เกิด มาหนาทิศเสี่เปลือกเปหือตางเสียราคาถือเราถือเขาถือตนถือตัวนอนหนักยินดีเสีเพิ่นไปต่างเพราะใจยังไม่เห็นสายทัดเจนตามเป็นสิิ์ฉะนั้นท่นจิตสอนหนที่ใดน้าเดียวกันทั้งสองเสียทายลงไปเท่าไร จแตะละแต่อ น, 7, นเกี่ยมพันติดข้อขาที่เจริญละอียดาอใจปวนยังรักยังถอนในบัดมาละรืมองตายได้ที่เจอิญเะเอียดทางไม่ติดข้อความปวดมันจะมีนากจากที่ไหนคาโลกมันจะมีนากจากที่ไหนเพราะแม้จะตายแค่ตัวก็ยังมียึดถี สิ่งอืนอ่นภายนอกมันจะยึดถือ ม, มาทมําไมมายึดถือเกี่ยอะไรกับคนที่หลงตายนี่แหละเกิดควา ม, ามโลกความโสดความหลงเกิเดมาจากที่อีนน่นาในหลงตายทีกอย่างน้อแยบทางเป็นผาเป็นขันละวางปล่อยไปตามธรรมชาติของมันแย่งกันจากในจิตในใจทั้งตัวความเยอะเยอะต่างที่จีบมาแนละ้ว ในชีวิตการเหรอจะไม่มีในดวงจิตสุขิตแรงงานในแยบทาในละในถอนไปจากเรื่องของตายแล้วจะมีการไม่คิดมาไม่มีการสดสมอารมณ์กัญญาต่างๆตัวเรจะไม่เกิดขึ้นเพราะตายของเราไม่มีมีแต่สมุเพราว่าเราว่าเรื่องตายเขาบอสมุนี้ตั มีอะไรคนที่สวดปวดตัวสมมตเราจะได้ปวดไอเสียอะไรก็พอพอเราที่ใจนะพอเราแยาถทายลงไปอย่างพอไอปัสปันเสเี่ยงถ่ายนอออกไปเืี้ยเดยมีคามเบาคามสบาเราหนักเราหน่วงเราเป็นเยอะปวเพราะเยอะเยงของใจพอที่เจนะแยบถ่ายเคลียร์คอแล้วจะเหน ว่าไม่มีอะไรเป็นปัญหาเรื่สายใจจะไม่เอาเสียงแจ๊สใส่คอให้พี่เจนาตอเลยี่เจนาก็เหเหตุใดเพราะมันผ่านเหตุแห่สายไปได้วสายก็จะว่าสายของนั้นมันมีเป็นที่เป็นไปมันี้อะไรในสาอะไรหรอที่มันเห็นมันจะเห็นเห็นในัวก้อนแล้วจะที่เจนานะ เิเป็นของละเอียดเป็นนามธรรมโ ด, ดยปกติผู้ศอัทาจิตเขาพูดชึ่นคนทั่วไปกเขออ้าใจปกจิแต่คนที่ไม่ปฏิบัติทำละเอียดออกไปเื่องไม่ยินจสีพอเสียใจเพาะปัญญาังไม่ละเอียดไม่ห็น เหตุนั้นจึงรักษาจิตม่ได้คิโคูปูไปตามปัญญาลงใส่หาหาผูปูต่อเพื่อปฏิบัติอาจทำจนถึงตัวปัญญาของตัวละเอียดจินตังเข้าไปเรื่องจิตนั้นจึงจะเป็นนามธรรมปัญญาสุขิจณาจะเป็นนามธรรมเาสุนิกันเว้นนกัแกไขกัน จากทางจิตของต่างๆนะเราเพียงแต่รู้จากว่ามีจุดเท่านั้นแต่ในใจนั้นจิตทั้งตัวเลยตังแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้รี้จักจนกระทั่งวันตายก็เป็นไดเพราเใช้จิดอโภมมันใช้สงบมันเช้ละเอียดทางด้านตามตะกี้ไปเลยเจอคราม หลุความหลงความเพิดความเกินในไม่เชื่อํามะของพระจ้าวผู้กระมประเทปฏิบัติจริงจังจะเห็นเด่นชัดเรืงท้องิตัวเองว่เป็นอย่างไรี้องผู้อื่นึงไม่เห็นในเชิงฝันพอเป็นทองขางเขาได้เสียเป็นเเราไม่ได้เสียกับเขา ตัวเราควรกอวมควรจะเน่าร้อนตัวอย่างไรเรืองนองสี่ของเราทือจะฝึกจะบมจะ่าร้อนตัวฝึกตัวเขาตัวได้แถนั้นเนียโลกิจะยุ่งเยิงลำบากเป็นทุกข์นาดใหแต่ใจของเราคือฝุกได้อบรมได้มีการกอเกี่ยวกับเรื่องทั้งโลกจะยุ่งยายุ่งเหยิงขนาดหนใจของเรา มีความเบาความส บ, บายใจขอเราูเท่าเาหาดือดพระองค์เขากระขาก่อยวางรัดถอนได้เย็นสบายอยู่ทุกการทุกท เ, กเว ล, ลาลถึงมีมีกันเสอะแกเดื่งคนอื่นสตรอื่นรับโลกทำรายโลกจึงมีอยู่ในสี่สี่จิตเคยยึดสีอติดข้ขขของหมดไปแล้วโลกเ อ, องไม่ก็หมดไปเองอย่างนี้ โลกใยที่จะทําม bon ิดในจิตข่องต่อไปพรสะทราบหนยเป็นอย่างไรก็ขาดลงสะบ้านลงเพราะจิตม่จิตกับโลกกับโอยู่การจุดอารมณจิตจุดใจใหญ่ใจหาละเอียดจุดไปจุดไปจิตใจให่และละเอียดเข้าไปสบายเข้าไปเบาเข้าไปพอดคอนเข้าไปเลื่อ เป็นถึงทำหนึ่งไม่มีสองขาดสมมติเรื่อ น, น อ, อะไรจะไปผิดห้อฤทธิ์ทอดกระทำไปึง่งทมบนิสุธิ์หม่นีท่านจริงตัดที่จายของท่านฤิเชื่อมั่นมาจิตชนิดนี้เป็นจิดสิ่งบริสุทธิ์ไม่มีอะไรอื่นที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้ จะทาไปเหมือนสีแดงสีจะัอทําบริสุทธิ์อันนี้ดูเหมือนี้ะทาบริสุทธินี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องที่ละถอนลงแล้วอีกก็ไม่เป็นไปได้ทาบริสุทิเป็นบริสุทธิอยู่อย่างนะกตรจแต่วันรู้จึกะทั่งวันตายอย่างนี้ไปทำจึงไม่มีปัญหาอะไระที่จะติดต่อในใจ การฝึกาอบรมถึงเ่อถที่ฝึกพัฒน์จะเห็น่างนี้และสัใจวเออย่างนี้การฝึกปริบัจะได้จะเป็นจะเห็นจะรู้เพราะเพราะอาศัยฝึกอบรมเรื่อยไปหลังต้งนันบางบทยามจะมีอุปสรรค อะไรเกิดขึ้นเราก็จะต้องฝากความเชื่อความมุ่งนของใจมันจะเกิดขึ้นในเรื่องอะไรจะพ่เดมาแชรไขายเรื่องไปดีกว่าเดี๋ยวความบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่อัสำคัญไปยึดขั่วไปใน่มีอะไรที่จะฟ้าพันยึด่าความบริสุทธิ์ของใจทางอาชีพยัง ติดจังหวะต่อไปติดวัาจิตที่ทำบริบทเละบ้าเราจะต้องฝ่าความอุปสรรคติดจิตต่องี่แย่นาละสอนปล่อยวางในอารมณ์สัญญาติดจิตตัวจิตต่างๆปื่อให้เขาไปติดจิตน้อยการปฏิบัติการติดจิต พูดแล้วก็มีเรื่องที่จะหยืดยาวอะไรเพราะความเป็นของใจผูกพันเรื่ปฏิบัติเรื่ยวพูดซันําสองทําก็าะคอใจทำหายติปฏิบัติได้้ากติดปฏิบัติไม่ได้จะตั้งอยู่แต่ว่าเกิดเป็นกระทังหันตายก็ไม่พอใจเกิดทั้งผีไม่เคย มีการรับอยู่ตัวคนตัวไม่เห็นไม่รู้คนื่นจะเหมาะให้ดูใค้เห็นพอเห็นเลยละถ้าเราฝึกออกปฏิบัติตัวเองนราจะรู้จะเข้าใจเราจะเบิ่ต้นเริ่เอาว่าตานีความบริสุทธิ์ของใจการคิดอารมณ์ทางธมะเปนอย่างนี้มีทางที่สุท เมื่อท้องโลกแล้วไันมีทางสิ้นสุดจะพูดไปเท่าไรจะเรียนไปเท่าไรจะขี่เพราะขี่ชาต์จะไม่มีการจบกานสิ้นเมื่ท้องโลกอมอนกัมีการจบการสิ้นหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาอันีเรียกว่าการละทัศน์หรือว่าไตะจักรว่จิตใจมันหมุนช่นอแล้วก็เกีย่ยวทางเรี่ยวไปทั่งเตาเนี่ย ม้วนตัวไปอย่างมันคือบริมื่องอนสวางสวางแล้วก็เมื่อีอยาบมันหลงดีอยแาบนี้้าไปถึงทำหยุดตัวหมดแล้วสมดนั่นมลยมีการบ้นเ่ย่อยไปจาที่จะขอไปทำทำบริสุทธินั้เให้ดีจนจะได้เจ้าหมอน อันหนเอาเปรียบบอกว่าวิสุทธิแต่สมมุติอันหนึ่งเป็พวกเราทุกคนนักปฏิบัติอยากจะรู้จะเห็นถ้าหาเห็นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะรามสุเป็นอย่างนี้จะต้องพักใจของตัวอบทเรียปฏิบัติสมมุต้องจารวันนี้คืออาจางยไรแล้วเหมือนแต่กปล่อยสื่อเราเเลย เห็นทป็นอย่างไรก็จะอใจเกิดทํามบริสุธของตัวเกิแล้วไม่ต้องัใจเชนว่าผู้ใดเห็นทานผู้นั้นเห็นเราสถานเพื่อเห็นทันบริสุทธงนี้อันนี้ตัเเห็นวอีถึงทัจะบรองมีกางนอนได้ขนาหจีโ่วงไปแล้วก็ความบริสุทธิ์ที่ทันเห็นทันรู้ เหมือนกับความรู้สึกของเราที่เห็นวกี่วิสีตัวมมีการแฝงใส่แต่ความรู้สึกต้องทันแะความรู้สึกองราญแติที่แตกแต่ต่างกันส่วนความรู้สที่ยอดต่างๆเหมือนบางบางท่านมีอำนาจวัฒนะบางคนยืนเกี่ยวกับ่อยอดต่างๆนานาบางท่านที่มีอำนาจวัฒนะส่วนที แล่ควาบริสทธิ์ของขันเป็นอย่างไรขันเข้าใจรับเกณนี้ใเหตุเงึ่อนู้ส่วนภายนอกขันก็เลยไม่าันอย่างเพราะทางขันใส่สอนเขาเรืองพระเจ้ายางที่ต้องขันโดยทางคานั้นก็คืออาสะวะที่ใาญ่ติทาอาสวะที่หนึ่งต้หมดไาที่สองวันนี้เป็นยางที่ต้องทํนกวายางถ่วไป เรื่องเรื่องอื่นเป็นตัยอดเราจะเป็นผู้เหนให้เมาเห็นแต่ราคอยตามเพราะในใจพวกเราบรสุทธิ์เพราะที่มีมือทำอาชีะที่เหนื่ยหมดไปเป็นเจ้าของันเานื่อยไปดูมาติดฟังฟังอต่างอยู่ความบริสุทธิ์ผู้ใช้สื่อสอนอเลี้ยสอน พอไปอจุดนี้ไปสอนในมือมือไปส่วนอื่นแตต้องแก้ไขอย่าติดใจติดข้องแก้เอาไปไช้เอาไปเอาติดยู่ไหนมันข้องอยู่ไหนหละหวานเดือดไปคนที่ตกไม่กระดุกเหตุการถาเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนคน มีติดติดทเราเพิ่งไปทบัตรไม่ได้านิงไ่ใ่ว่าเราหมดที่เรามีติดทิกคนตามตามวันนี้ตุดที่พวกนี้ก็จะจ่าวไว้ไปเต็มออกเล้ใ่างคนต่างนีติดเนือนกับสงบัตรองโลก วีนี้จะติดสัญญาความง่นะ่องสมบัติที่ต้องพูดถึก็มาเติทองูดถเรืองเทากััวไปให้ดูสัญญาาสก็ได้เป็นสมบัติของคนทั้ราทําสอนขะเจ้าอนปนภยนมอกอเร่องสมบัติของสารโลกทั่วไปผูกพ่องจากํมาชระต่างๆรจากโลกจากดวง แต่ที่ทความบริสหทนอมไว้ให้ขาโลกปูตานาต่างตามุ่งหวังและมีความสุขวัุนีได้จากโลกไปไปมองบอกใคนไทยบอก น, ค, อนคนปูดีมีเศิปัญญาควรจะไปเจอนานสละาาสายสตัวตัว เ, เรามีปุ๊คน จะเปิดทุดกบ่บายใอ่เป็นพระประชคนที่เลยนี้คิดจะต่อรองตัวมีดเ น, นืออตันในทางสาหรับตำราเฉาว่นคนที่ในยนี้คิดจะต่อรองเพื่อคนที่มีตันเหนืออายุย่างมาถึงเจ็ดป่วงจต่อเพื่อที่เด่นขนาดไห น, นก็ไม่สามา ที่จะทาใจบริสุทธิ์ได้คนรคิดฆ่าดีดามานได้ฆ่าร่างกาลลายส่งโศกแต่บริทิ์ปฏิบัติขนาดไหนต้องมีวันเวลาที่จะได้ความบริกุทธิ์ที่เปพระพักตร์สัจจ์สัที่้ควรจะอาจทำดีเด่นเราไม่เตัวอย่างนัเป็นพระพักตรสจเป็นสัจจที่ต้องควร ที่จะแก้ไขปรับคุงตัวในด้านของคุณภองเพือความพยายามดีกว่แต่การพยายามของจิตของใจทางั้ยังไม่ดีอาจทำแด้พยายามหนักขงานรับโหนดจิตใจมีโอกาสนหอด โดยส่วนใหญ่ถ้าท่านติดตาอในสมาธิอยู่เป็นโยคองอยู helper, ่ภาวนาอรู ana, ่แ่จิตใจก็เลยอยู่ในความปลอดเยือกเย็นเพราะฉะนั้นจิตใจที่เราเดินไปากการละความปลอดการหยุดยั้งคนจิตเรากปจะแตกสอนไว้ในหน้าปฏิปทาตัวอย่างนั่งเช็ดเดีเสร็จแล้วถือเป็นสองคือเป็นพาของกระเปษาเพื่อจะพายเน เป็นพราโสดานี้ติดใจขนาดต่างๆวันที่เราฉีดค้างทุกๆจะต้อพูดถึงเจเจี๊ยเจียหรือเจวันเราได้ทำาิดหล่หวานแต่วกเราท่านปฏบัติกันมาทำกนมาทำกับาเองกเป็นเวลาหลายปีนรแต่ทุกคนก็ที่ทำใหม่ แต่ที่อะไรควดีถ้าเราปกติยึดต่อกนคืิประสานที่เจามาในขักษาถูกตรงไปเรื่อนๆกึดเรื่องสติประฐานดีประจำาิดเรื่อยไประยะยังอ่าตัวมือติดตัวมือ ยังอายุ5ในต่อผู้ทิ่7วัน7เดือน7ปีนี่มันเลยเป็นอย่างนะทำกรรมฐานก็ทำชั้นทำ่าดีสี่อย่างตอนนั้นจะจิตใจไมนเป็นกรรมฐานไม่ปฏิบัติเป็นสกรรมฐานเราต้องโหดไปหล่สัวคณะเขาไปเร็่อยเรเ่ินไป เอาอียน <Source> ั่งอยู่นะ้นเป็นวลาหลายนาทีหลายชั่วโมงินฟในอารมณ์เหนื่องอจนกลับมาห้าตัวหัเวยวนั่งมานนอนกันยพักกันวันใหม่เอามว้สแบบนั้นอม่เป็นแบบนี้กี่ไล่าเสียเวลาอยู่ถ้าเรามันอยู่กับ เดี no ่ยองท่องเรียนท่าท่งจิตท่องความิ่งใหญไม่จะต้องเสียต้องเก็บตองรูาเบาสบายจะเกิดขึ้รวมรวมท่องจิตจะเกิดขึ้นความเบื้อหนายตาหนัดจะเกิดขึ้นเพอาะอาใจทำสิ่ที่เยนาดียีนียดีนียีนียปนาเข้ามา ทำรักษาใจใจรักษาทธรรมเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นี่แค่ปฏิญาณภายนอกทำแต่จิตใจสูดดูไปทางหม่เสียเวลาช้าตาที่จะรู้ใจเหินอาจทำเพราะนั้นปฏิบัติการใหม่ ต, มตั้งใจทำจริงจังอย่างนี้นจะสมอะไรจะกำหนด บททำอันนี้แหละดีรอบก็ไม่เอ่เสืสั่งไว้หนาว่าบุตรเสือถ้ามันเสอะตมามไปฟูไปทำโคตรมันเปหนักเขาการนังโฆษณาเนสนนมอจะกำหนดอะไรกำหนกอยู่นะเอ่เสือ ในการอารมณ์างทีการทำจริงารทำจรงอย่างนย้ก็เป็นจริงจากัวกเรื่องธรรม่ว่าธรรมจะจิตใจเราสูงไปอะไรท้งเมื่อทำให้เป็นสิ่งที่เรเสียเวลาอันนี้สูงกว่าสิ่งที่เป็นจิตใจเราเสียเวลาจนเสียใจกันทังหัวเราพเราไปทํารี ทำผิดยอมรับวนจริเห็นวันจริงเช่นสายปฏิบแ่สอนตัวงสอนไปหลายอย่าง่พเรายอมนใจของเรารับความงสบายีตาสอนตัว ที่เด็กตั้หามีหลังนางคอยเี้ยงตมันมีเวลาที่ความสุกจะเกิดมีสุขให้จิตใจใจฉะนั้นผู้อ่านที่ศึกาที่มยามาเป็นองะ์ระกใจโจงเนี้สอนตัวยองที่ตต่างๆความคิด บางทีพุทธเจ้าสอนจะเห็นจะเช่นเร่องอะไเนี่ทํทกันมีการสังขาเพราะจิตใจได้สังขาจิตใจได้รู้ำไมเห็นไม่เชยนเช่นรู้คนมีความสงสัยลังเลที่ไห่ไปการิิตใจ อีกอีกมายให้เหมือนกันกับทานอาหารคนอื่เอาไม่ให้แต่เราไ่ทานต้องไปกินทามอี่จะต้องทานี้ดืนลงไปเองทาอีกเป็นอย่างไรจะไม่ต้องได้ถามคนอื่นใการสื่อิใจกองท่านองเดี่ยวกันเราเคยได้รดับรับฟังจากทจากอาจารย์ ที่อ hmm. ่านตลอดกำลามันขอทุกคนที่คนงานฝึกตัวของเราฝรกที่ดีได้ขอให้ฝึกได้ฝึกลงไปรถถ่านเขาทำเป็นอย่างไรจะสร้างจากการฝุดการบำเพ็ญของคนความรุดคนเป็นอย่างไรจะบรรัุการเกิดที่สุดไม้ตายห่างอย่างนั้นไป เราฟังธรรมะวันนี้แส ด, ดงไปนะมากหัือว่ายงลำบากในกานจดจำที่เร่งตันที่ติดใจนะหัที่ติดธรรม